เสียงยามเคาะแผ่นเหล็กสิบสองครั้งบอกเวลาเที่ยงคืนท่านพระครูจึงบอกอาจารย์ชิดว่าสองยามแล้วโยมควรจะพักผ่อนเสี้ยทีพรุ่งนี้อาตมาจะให้ขึ้นกรรมฐานแล้วก็จะปรุงยารักษาโรคให้เอาละประเดียวอาตมาจะไปเอาเครื่องนอนมาให้นอนตรงหน้าอาสนะนี่แหละ ่นลุกจากที่นั่งแล้วเดินเข้าไปในห้องในขุนทองประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพร้อมเครื่องนอนหนึ่งชุดอาจารย์ชิดรับของจากมือท่านและจัดการปูเสือ่อและกางมุง้งเขากราบท่านสามครั้งด้วยซาบซึ้งในพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เอาละนอนได้แล้วอาตมาจะให้การบ้านตั้งแต่คืนนี้เลย การบ้านอะไรครับบุรุษวัยหกสิบไม่เข้าใจก็ให้โยมเริ่มปฏิบัติกรรมฐานเสตั้งแต่คืนนี้เลยนะสิวิธีปฏิบัติคือให้เอามือวางไว้ที่ท้องสังเกตอาการผ่องยุบขณะที่หายใจเข้าออกเมื่อท้องผ่องโยมก็ว่าในใจว่า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 ไม่เห็นมาให้สอบอารมณ์เลยกระผมเกรงใจพระคุณเจ้านะขอรับเห็นทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนการปฏิบัติของกระผมก็ก้าวนาดีขอรับหากบรรลุญาณสิบหกเมื่อใดอก็จะต้องขอกราบลาแล้วจวนหรื อ, อยังละ่ะจวนแล้วขอรับ คิดว่าอีกไม่นานคงได้แล้วไม่ห่วงคู่รักหรือไปแล้วไม่ห่วงคนที่มากับเสานั่นหรือท่านหมายถึงเสาตกน้ำมันที่พิงอยู่ใต้ต้นปีบหลังกุฏิเรานัดกันแล้วขอรับกระผมจะไปรอเธอที่สวรรค์ชั้นดุสิตเธอบอกจะอยู่รับใช้หลวงพ่อไปก่อน เธอช่วยกวาดบริเวณวัดทุกคืนเลยนะขอรับอาดตมารทราบแล้วฝากขอบใจเขาด้วยลานวัดสะอาดสะอ้านขึ้นมากตั้งแต่เขามาอยู่เอาเถอะพากันสร้างบา ร, รมีเข้าไว้จะได้ไม่ตกลงไปในภพภูมิต่ำอย่าลืมดูแล แ, แขกของอัจตมาด้วยจะขึ้นไปทำงานละพูดจบ ท่านจึงขึ้นไปชั้นบนอาจารย์ชิตไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนเอามือวางบนท้องสังเกตอาการเคลื่อนไหวของมันดังที่หลวงพ่อท่านสอนนับตั้งแต่ถูกโรคร้ายรุมเรา้าเขากลายเป็นคนกโกรธง่ายเจ้าโทสะฉุนเถียวจนลูกเมียเข้าหน้าไม่ติด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 ขณะเอ็นกายลงอย่างมีสตินั้นบัดดลก็ให้รู้สึกปิติซาบซ่านทั่วสรรพางจึงใช้เห็นหนอตรวจสอบดูพระบูเหียวนั่นเองที่เป็นต้นเหตุของความรู้สึกเช่นนี้ท่านพูดในใจว่าขอบใจเธอมากบูเหียวที่อุตสาปแผ่เมตตา ม, มาให้แต่คงจะไม่มีใครช่วยฉันได้หรอก ใครเลยจะฝืนกฎแห่งกรรมไปได้ฉันรู้ตัวดีวันเสาร์ที่14ตุลาคม2521เวลา12นาฬิกา45นาทีฉันจะต้องคอหักตายเพราะอุบัติเหตุรถควา่าต้องตายอย่างแน่นอนฉันตรวจสอบดูแล้วก่อนเข้าสู่ห้วงนิทรารม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 ต้องขอประทานโทษเพราะหลับสบายดีเหลือเกินพูดพลางลุกขึ้นมาเก็บที่นอนรู้สึกกระปี้กระเป่าเหมือนไม่ใช่คนที่กำลังป่วยหนะักจากนั้นจึงนำแปรงและยาสิฟันออกมาจากกระเป๋าเสื้อผ้าท่านพระครูชี้ไปที่ห้องน้ำใต้บันไดพลางกล่าวอนุญาตให้เขาเข้าไปใช้ได้หลวงพ่อให้เขาใช้ทำไมประเดี๋ยก็เหม็นแย่ นายสมชายติงพอดีกับนายขุนทองทำความสะอาดกุฏิชั้นบนเสร็จและลงมาข้างล่างเมื่อรู้ว่าบุรุษนั้นเข้าใช้ห้องน้ำใต้บันไดก็โวยวายลั่นหนุไม่เยิมหนุไม่เยิมทำไมหลุงลุงถึงทำแบบนี้เบาๆหน่อยเจ้าขุนทองยังไงก็เห็นแก่หน้าข้ามั่งท่านพระครูปราม มันห้องน้ำของข้าข้าจะให้ใครใช้มันก็เรื่องของข้าพวกเองมาเดือดร้อนอะไรด้วยดีแล้วงั้นหลงลุงทำความสะอาดเองก็ลึกกันหนุมไม่ทำอีกแล้วหนุ่มกระเทยว่าผมก็คงไม่เหมือนกันนายสมชายสมทบเอาละไม่เป็นไรพวกเองไม่ทำ ข้อทําของข้าเองก็ได้จะได้รู้ว่าคนอย่างพวกเองนั้นเลี้ยงเสียเข้าสุขกิตใจไร้ความเมตตาเขาทุกข์เพราะโรคร้ายก็ทรมานพอแล้วยังจะมาทุกข์เพราะกิริยาท่าทางของพวกเองอีกเสียแรงที่อยู่ใกล้ข้าแต่ไม่เอาเยี่ยงอย่างข้าเลยแม้แต่น้อยลองเอาใจเขา มาใส่ใจเราดูบ้างสิถ้าพวกเองเป็นอย่างเขาจะรู้สึกยังไงท่านเจ้าของกุฏิเทศเสยยืดยาวจนชายหนุ่มทั้งสองได้คิดเขาก้มลงกราบขอขมาผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อกรุณายกโทษให้ผมด้วยนายสมชายพูดก่อนหนูก็ผิดไปแล้วฮะหลวงลุงหนกกราบขอขมา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 แถมตาก็ลืมไม่ขึ้นด้วยครับอ๋ออย่างนั้นหรือมีคนมาพยาบาลตอนหลับหรือท่านพระครูถามยิ้มยิ้มด้วยรู้ว่าใครคือบุคคลผู้นั้นไม่ใช่โรงพ่อหรอกหรือครับอาจารย์ชิดถามอย่างฉงนอาตมาไม่ได้ลงมาเองแต่สั่งคนอื่นมาทำแทนเอาเถอะ ไม่ต้องซักถามอะไรนายสมชายกับนายขุนทองมองตากันแล้วหนุ่มกระเทยก็เพิ่งขึ้นว่าสงสัยจะเป็นนายก้อนหินมั้งหลวงลุงนายก้อนหินไหนครับอาจารย์ทิดถามท่านพระครูขยิบตาใส่หลานชายเป็นเชิงห้ามไม่ให้พูดแต่ชายหนุ่มไม่เห็นจึงพูดต่อก็ทีค่ครูสองผมเมียเอามาถวายหลวงลุงนั่นไงที่อยู่ ยังพูดไม่ทันจบก็ถูกนายสมชายสะกิดอย่างแรงจึงต้องหยุดอย่าไปฟังเจ้าขุนทองเลยโยมท่ามันไม่ค่อยดีเลยชอบพูดเพ้อเจ้ออยู่เรื่อยหลานชายอ้าปากจะเถียงหากนายสมชายพูดตัดบทขึ้นว่าเราไปกินข้าวที่หอฉันกันเถอะจะได้ให้อาจารย์กินที่นี่แล้วเขาก็จัดสำรับที่ท่านพระครูฉันเสร็จแล้วนั้น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 จะขอทานน้ำพริกผักต้มดูคงไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วเขาจึงลงมือรับประทานรู้สึกรสชาติถูกปากจนรับประทานได้หลายคำทั้งที่ยังเจ็บคออยู่รับประทานเสร็จก็เตรียมเก็บสำรับจะนำไปล้างเอาไว้นั่นแหละไม่ต้องทำประเดี๋ยวสองคนนั่นเข้ามาจัดการเองท่านหมายถึงคนเป็นลูกศิษย์ กับคนเป็นหลานพอดีกับนายขุนทองเดินเข้ามาสมชายไปไหนเสนละ่ะท่านถามไปหาต้นใต้ใบกับต้นมายาลาบมาให้หลวงลุงห่อบอกให้หนูมาเก็บสำรับเขายกสำรับออกไปวางบนโต๊ะหลังห้องรับแขกครอบด้วยฝาที่ทำจากตอกไม้ไผ่แล้วจึงเก็บถ้วยชามที่ใช้แล้วออกไปล้างข้างตุ่มน้าหลังกุฏิ ค่อยหายใจโล่งอกเมื่อห่างบุรุษนั้นออกมาแต่ถึงอย่างไรวันนี้ก็ยังดีกว่าวันวานอาจเป็นเพราะจมูกเขาเริ่มจะชินกับกลิ่นเน่านั้นก็เป็นได้ครูใหญ่นายสมชายก็หอบพืชสมุนไพรสองชนิดเข้ามาในกุฏิเอาไปที่โรงครัวสับให้ละเอียดแล้วพึ่งแดดให้แห้งจากนั้น ก็นำไปคั่วให้เหลืองแล้วค่อยเอามาที่นี่อย่าให้ปนกันนะท่านเจ้าของกุฏิสั่งการชายหนุ่มจึงหอบของสองสิ่งนั้นไปยังโรงครัวเพื่อจัดการตามคำสั่งคุนทองช่วยไปตามพระบูเหี่ยมาช่วยนำโยมขึ้นกรรมฐานแล้วจัดพานดอกไม้ถูกเทียนมาด้วยท่านสั่งหลานชาย ที่เพิ่งเสร็จจากการล้างถ้วยชามให้หลวงพี่จัดพานมาด้วยหรือฮอหลวงลุงรู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่มีพานนะฮอลหลานชายท้วงข้าให้เองตังหากก็หลวงลุงสั่งไม่ชัดเจนที่หลังพูดให้ชัดๆนะฮอข้าก็ว่าข้าพูดชัดเจนดีแล้วน่าหรือว่าโยมว่ายังไงท่านหันไปถามอาจารย์ชิด กรุษวัยหกสิบเพียงแต่ยิ้มหากไม่ออกความเห็นเพราะเกรงในขุนทองจะกโกรธทางที่ดีควรนิ่งเข้าไว้เห็นม่าหลวงลุ ง, ลงที่ยอมเขานิ่งก็แปลว่าเขาเห็นด้วยกันหนูใช่ไหมฮถามอย่างจะหาพวกท่านพระครูจึงพูดตัดบดว่าเอาเถอะเอาเถอะอย่ามัวมาต่อนัดต่อแนงอยู่เลยรีบไปตามพระโบเหี่ยได้แล้ว หลังจากนั้นก็ให้เองไปเก็บดอกไม้มาผานและทูบเทียนมีอยู่ที่นี่แล้วไงข้าสั่งชัดเจนหรืออย่างคราวนี้ชัดเจิงเป้งเลยห่อหลานชายใช้สับทันสมัยพลางหัวเราะคิกคิกจากนั้นจึงลุกออกไปตามคำสั่งประเดี๋ยวโยมรับศีลแปดก็แล้วกันนะไหว้หรือเปล่า อาตมาอยากจะให้ฝื้นใจหน่อยถ้าถือศีลแปดจะหายเร็วกว่าศีลห้าเพราะการประพฤติพรหมจรรย์มันเอื้อต่อการปฏิบัติไว้ครับหลวงพ่อปกติผมก็ไม่ค่อยได้รับประทานมือเย็นอยู่แล้วจะได้เตรียมตัวไว้ตอนบวชเลยอาจารย์ชิดรับคำแข็งขันพระบเฮียวรู้ว่าอย่างไรเสีย ก็จะต้องถูกเรียกไปสอบแก้ตัวอีกดังนั้นหลังจากชันเช้าเสร็จท่านจึงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ได้เดินจงกรมถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองและอาจารย์ชิดพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้สอบผ่านนายขุนทองมาถึงตอนท่านแผ่เมตตาเสร็จพอดีลุงพี่ฮอ ห ล, ง, ลงให้มาตามไปนำโยมขอเนา่าคนนั้นขึ้นกรมรมฐานหอหนุ่มวัย21รายอ็ดงานคุณทองอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเลยเขาได้ยินเขามันจะไม่ดีเขาเป็นอาจารย์ไม่ใช่หรือเรียกเขาว่าอาจารย์ดีกว่านะพระโมโหปราบแล้วเสนอแนะตกลุงหอจริงของหลวงพี่ไอหนูมันก็กระทนปักแตกเส็จด้วยเมื่อเช้าก็ถูกหลงลุงเทศเพราะเรื่องนี้ เดี๋ยวลงพี่ไปเลยนะฮะหนูจะไปเก็บดอกไม้ก่อนขว่ายหนึ่งครั้งแล้วจึงเดินจากไปพระบวญเหียวเดินกำหนดขวาซ้ายไปยังกุฏิพระอุปชาคลั้นถึงจึงกราบสามครั้งแล้วนั่งตรงที่ที่เคยนั่งชรอยท่านคงจะปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นมากจึงสามารถทนต่อกลิ่นนั้นได้ดีกว่าวันวานรู้สึกว่าความเหม็นของมัน จะลดลงกว่าครึ่งอาจารย์ชิดกราบผู้มาใหม่สาครั้งโดยไม่ต้องให้ท่านพระครูบอกครูหนึ่งนายขุนทองก็ถือดอกไม้เข้ามาเป็นดอกเข็มกับดอกดาวเรืองเขาจัดการนามาใส่พานพร้อมทูบและเทียนพิธีสมท า, านกรรมฐานเริ่มตั้งแต่อาจารย์ชิดถวายเครื่องสักการะคือพานดอกไม้ทูบเทียนแต่ท่านพระครู แล้วสมาทานศีลแปดท่านพระครูให้ศีลจากนั้นพระบัวเหียวกล่าวนำคำขอกรรมฐานให้อาจารย์ชิดว่าตามไปจนเสร็จพิธีเอาละ่ะทีนี้ก็จะลงมือปฏิบัติกันเลยบัวเหียวเธอกลับที่พักได้แล้วเป็นอันว่าเธอสอบผ่านท่านเจ้าของกุฏิบอกภิกษุหนุ่ม ลุงพอจะสอนโยมเองหรือครับพระบูเหียวถามพระปกติท่านพระครูจะให้ท่านเป็นผู้สอนถูกแล้วรายนี้ต้องสอนเป็นพิเศษเพราะเขาป่วยมีอะไรที่ต้องแนะนำนอกเหนือไปจากสอนคนปกติอ๋อแล้วก็ขอขอบใจนะที่แผ่เมตตามาให้เมื่อคืนนี้ ท่านไม่ได้พูดต่อดอกว่าการทำกรรมแทนกันนั้นเป็นเรื่องที่มิอาจทำได้เพราะคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้ที่ไม่พูดเพราะไม่ต้องการให้คนเป็นสิทธ์เสียกำลังใจพระโบเหียลจึงเดินกลับกุฏิด้วยจิตที่ผ่องแผ้วท่านมิได้กำหนดขวาซ้ายเหมือนเมื่อตอนขามาหากเปลี่ยนมากำหนดดีใจหนอ สอบผ่านแล้วหนอแทนเอาละอาตมาจะสอนให้โยมเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่ขอเกร่นไว้ก่อนว่าโยมจะต้องอดทนมากมากยิ่งปฏิบัติโยมก็จะยิ่งมีทุกขเวทนาเพิ่มขึ้นคือแผลที่คอมันจะปวดมากกว่าเดิมหลายเท่า โยมก็อย่าท้อถอยตั้งสติสู้กับมันนึกเสียว่าเราทำกรรมเอาไว้และกําลังชดใช้กรรมยิ่งปวดมากเท่าไรก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะถ้าไม่ปวดแสดงว่าจะไม่หายขอให้โยมจําอันนี้ไว้ให้ดีพอจะทำได้หรือเปล่าครับผมจะพยายามให้ถึงที่สุด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 เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอัญเชิญพุทธพ์ธมาเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนป่วยหนะักบ่ายวันเดียวกันนั้นที่กุฏิท่านพระครูร้างผู้คนเพราะบรรดาผู้มีทุกข์ทั้งหลายไม่อาจทนกับกลิ่นเหม็นจากแผลที่คออาจารย์ชิดได้ท่านเจ้าของกุฏิก็ตั้งใจจะทดสอบความอดทนของพวกเขาจึงไม่ยอมเปลี่ยนไปรับแขกที่ศาลาการปะระียน ตามที่มีผู้เสนอแนะมานายสมชายกับนายขุนทองจึงไม่ต้องทําหน้าที่คอยบริการแขกทั้งสองช่วยกันทําความสะอาดกุฏิและขัดห้องน้ําทั้งยังตกลงกันว่าคืนนี้จะกลับมานอนอย่างที่ของตนในเมื่อหลวงพ่อท่านทนได้เราก็ต้องทนได้จริงไหมขุนทองสิทธวัดพูดเสียงเบาเพื่อไม่ให้คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ยินจริงหรอ สิงร้อยเปอร์เซนเลยแหมหนูชักอยากให้อาจา ร, รย์ทิดแกยอยู่ที่นี่นานๆแล้วละ่ะเราจะได้ไม่ต้องรับแขกและหลวงลุ ง, ลงก็จะได้มีเวลาพักผ่อนหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดว่าขณะใช้แปลงขัดพื้นห้องน้ำพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอย่าลืมว่าญาติโยมที่เขามาหาหลวงพ่อเพราะเขามีทุกนะแล้วหลวงพ่อท่านก็ช่วยแนะนาให้พวกเขาหายทุกซึ่งจะหายมากหายน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาปฏิบัติตามได้แค่ไหนหรือบางคนไม่นำไปปฏิบัติเลยก็ต้องทุกขกันต่อไปเองไปพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับขาดเมตตาธรรมคนอาวุโสกว่าอธิบายจริงของพี่ถ้าพกเขาไม่มาหลวงลุงท่านก็ไม่ได้สร้างบารมีจริงมะการช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งใช่มะถูกแล้วแหมเดี๋ยวนี้เองชักเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อน จนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละคนกันเลยนายสมชายชมคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างแหละพี่จะให้ยิ่งแย่อยู่ตลอดเวลาได้ไงนายขุนทองว่านั่นสิแต่ข้าว่าเพราะเองได้มีอยู่ใกล้หลวงพ่อด้วยแหละข้าเองก็รู้สึกตัวเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้มีอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อป่านนี้อาจกลายเป็นไอ้โจรห้าร้อยไปแล้ว ทำไมต้อง500ร้อยด้วยล่ะพี่สอง3้0ยสารไม่ได้หรือนายขุนทองเริ่มยวน่นนายสมชายกำลังมีอารมณ์ดีจึงตอบว่าก็คงได้มั้งแต่ข้าไม่เคยได้ยินใครเขาพูดว่าไอ้โจน200หรือไอ้โจน300ได้ยินแต่ว่าไอ้โจน500รเสียงร้องครวนครางให้ท่านพระครูช่วยดังมาจากด้านหน้าของกุฏินายสมชาย ใช้ให้ในายคุณทองออกไปดูฝ่ายนั้นจึงละมือจากการขัดพื้นห้องน้ำพอเปิดประตูออกมาก็ร้องกรีดวายตะเทียนฮกเมนตีลังกาตายแล้วตายแล้วนางมันโทนน้โตข้างเดียว